ขอกล่าวคําว่าสบายดีเนะาะค่ะเนาะเออกะะารยะนามิตเขาก็อยูอ่งวมกันมาหลายวันเลยเนาะก็เว้าให้กันฟังหลายอย่างหลายแนวแต่ธรรมะบุญ ม, มันไม่มีอะไรหลายหรอกพูดภาษาไทยสัมันก็บรถนัดเท่าไหร่ภาษาไทยแต่กรจะพยายามภาษาไทยภาษาลาวเขาก็ฟังได้สบายเนาะท่านอยากให้พูดประสบการณ์สักหน่อยประสบการณ์แล้วก็มาพูดเรื่องการเราเอานํามาใช้ยังไง แล้วก็มันได้ผลอะไรค่ะแม่สมพรจะพยายามลำดับไปเทระนิดเทละหน่อยถ้าผิดพลาดภาษาไทยกระกาบขออภัย้วยเด้อว่เป็นยังโอ้ยดีใจได้ยินเสียงทางลาวทางไทยเขาได้สบายเนา ะ, ะแม่สมพรนี่ก็ปฏิบัติมานานอยู่นานหลายอย่างค่ะนานเพราะว่ามีพ่อบุญธรรมท่านเป็นพระ ามาจากเมืองลาวเราวน้นแหละปฏิบัติสายหลวงพ่อปานปานพุทธยานันโทอาจจะมีคนรู้เนาะถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวียงจันทร์เราก็แสดงว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐานว่า ง, งั้นเถอะที่ศุะหลวงพ่อนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปานเลยแต่ท่านก็ฝึกก็ดีสมควรนั่นแหละท่านก็เป็นอาจารย์ แต่ว่ามาถึงเมืองนอกแล้วก็ญาติโยมที่นี่รับไม่ได้เพราะมันช้าติง่งนิ้งนี่ช้าช้าก่อนจะสรนเข้าเสร็จนี่เป็นสโมงสโมงก็ยังไม่เสร็จก็ญาติโยมก็รับไม่ได้ท่านก็เลยกลับมาศึกษาเรื่องพุโทโธไปเข้าธรรมยุทธอะไรนี่หลายๆอย่างนอกสายงานหลายอย่างท่านก็เลยเอานี่มาประยุกต์ใช้ท่านก็สอนเรื่องนี้ ลูกก็ทุกมากก็เห็นพ่อสอนอยังไงก็เอาอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอินทรีย์ของเรามันอ่อนเ อ, อ่อก็เลยทำเหมือนท่านน่ะไม่ได้นั่งแค่สองสัโมงนี่ก็ไปแล้วหลับแล้วทำงานก็ทำงานเกรฟยาร์ดแล้วก็กลับมามันก็เหนื่อย อ, อแต่ใจมันรักมันชอบเพราะเรามีทุกข์มากคนเราพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่นะเป็นโอพยกนิทุกข์หลายบ่ อพยพบ่มบานแตกแสแลกขาดเนาะบ่มีบานบ่มีเฮือนทุกมากนะเนาะทุกไม่มีที่อยู่อาศัยนี่นะแต่ก็ดินน้นรนครอบครัวถ้าจะพูดถึงว่าก็ใหญ่พอสมควรเนาะลูกซีผัวเมียก็หกหละที่แบบเข้ามาประเทศเพิ่นผสมภาษาไม่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาทำงานเลี้ยงครอบครัวนะ่ะมันก็โตมากแหละครอบครัวมันก็ทุก แต่ก็ชอบว่าทุกนี่พ่อแม่ก็บอกว่าทุกแล้วก็ต้องให้มานั่งภาวนาท่านก็ ว, ว่างไงละท่านสอนกับโอเคก็มานั่งภาวนาแต่นั่งอินทรีย์ของเรามันอ่อนมันไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ่าไม่สมพรเนาะจะถือว่าไม่สมพรนี่ไม่ได้ก้าวไายว่าสายไหนดีหมดตอนนี้รู้แล้วดีหมดแต่สิ่งที่ไม่ดีคือเราทําต่อเนื่องไม่ได้แค่นั้นเองอืมทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านวางไว้บัญญัติไว้ เป็นคำสอนของท่านนะทุกอย่างดีหมดครูบาอาจารย์เอามาประยุกต์ใช้เทคนิคของใครของมันดีทั้งนั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีคืออินทรีย์แล้วนี่มันอ่อนมันทำไม่ได้เหมือนท่านก็เลยมันเอาทุกออกจากใจไม่ได้ที่สรุปแล้วว่าเจปีนะนะพ่อกระ บ, บอกหลายอย่างหลายนะี่แต่ได้ความสงบนะเจดปีที่ทำนี่นะสองโมงตอนเช้าไหว้พระก็นั่งสมาธิ แต่เราก็ไม่ได้ต่อเนื่องถึงสโมงเหมือนท่านนีอสองสโมงลกความต่อเนื่องของความหมายที่ว่าต่ อ, ตอเนื่องหมายทัวสติที่รับรู้แต่ละคณะหนึ่งคณะหนึ่งที่เรารู้สึกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ตามลมหายใจนั่นนะ่ะอันนี้คือความหมายว่าต่อเนื่องแต่แม่สมพรทำไม่ได้มันหลับก่อนก็กะเลยไม่ว่ากันก็จบไปแต่ทุกในใจนี่มันออกยังไม่ได้ ก็ถามพ่ออยู่ตลอดแหละพ่อทําไมนะ่ยโยลูกทําได้ถึงได้นิมิตเหาะเฮิรนไปไหนมาไหนได้เลยแหละนั่งนี่สบายเห็นอยากเห็นพระพุทธเจ้าเพราะจิตใจมันฝักใฝ่เรื่องอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคิดว่าเราเกิดมาไม่บินไม่มีบุญญาบารมีไม่ทันพระพุทธเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยของท่านแต่จิตใจมันฝักใฝ่อยากจะเห็นอยากจะเจอเพราะว่าก็มีทัวร์จับงานอยู่บ่อยๆว่า พระวัดนั่นบอกว่ามีทัวร์สามพันนะจะไปอินเดียจะพาไปดูนู่นใจมันผูกเลย อ, อยากไปเห็นอยากไปรู้ว่า ง, งั้นเถอะก็ขอสามีแล้วโอ้ยอยากไปเด้คอยบวชเอาเงินเอาทองดอกเดอ้อคอยสิทอนทิปคอยเองเพอทํางานมันก็ทํางานแบบในคาสิโนโมีทิปเนาะจะทอนทิปเองแล้วก็จะหาเงินจะต้องไปไปเบงอินเดียให้ได้ ใจมันมันรักมันชอบถึงขนาดนั้นละ่ะมันผูกติดใจเลยเวลาเรามานั่งสมาธินี่นะนึกเห็นพระพุทธเจ้าตลอดวันนั้นเกิดได้นิมิตโอ้ยมหัศจันทร์มากเลยปีติเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ตัวล อ, อยเนาะแบบหนังอาราดินนะ่ะรู้ไหมที่มันมีสนะที่เรานั่งนะจะอยู่อย่างนั้นเพราะเราปลูกฝังมากับพ่อเรื่องปฏิบัติน่ะนะ วันศีลวันพระจะถือศีลจินเจเข่งคัดมากแหละแล้วก็นั่งอยู่ในสณะตัวเองก็สุดขาวก็ล้ออยเห็นพระพุทธเจ้านี้ได้บินทบาทด้วยละ่ะปีติเกิดขึ้นนึกว่าตัวเองเข้าใจธรรมะบรรลุแล้วว่างั้นเถอะโอ้ยพูดให้พ่อฟังเป็นเหมือนละครเลยแหละพ่อก็บอกว่าเจ้ายังโบไปใส่เลยยังบพ า, า, านนิวรนเลยลูกพูนกัว่าอา้านิวรนหมายถึงว่าอะไรพ่อ ท่านก็พูดของท่านเป็นสุดๆอเราก็ไม่รู้เรื่องอยแต่มันก็ชอบนะมันได้อย่างนี้มันได้นิมิตอย่างดีๆเนาะใครลระไม่อยากเห็นและบินทะบาทในพระพุทธเจ้ามันดีใจเ อ, อิบอิม่มเออแต่มันก็ยังทุกข์ทุกข์หลังจากนั้นเนาะจะพูดจ้อนข้ามาอีกนิดหนึ่งวัดป่าเกิดขึ้นได้เกือบสองปีละที่ลาสเวกัสบ้านกา็กลๆ ก, กันนี่ถ้าบุญเรายังไม่ถึงนะ ยังไม่รู้เลยบะวัดป่าสอนอะไรเรื่องอะไรยังไม่รู้แต่โชคดีที่บุญมันแบบคล้ายๆคือว่าเราก่อสร้างมาดีแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มีหลวงพ่อวอนที่มีคนที่มาจากเทนเนสซีเพื่อนคนนะั้นอ่ะไทบานเวียงจันเขาก็บอกว่าหลวงพ่อวอนแนะนำเขาเรื่องการยกมืออันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อวอนท่านเห็นเราเป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องนี้ก็บอกว่าโอ้ยลูกมักนา ง, งสิไปวัดป่าเดอ้อ วัดปลาอยู่ใสายพ่อก็าเรียกท่านเป็นพ่อท่านท่านก็บอกว่าอยู่นูน่นอยู่นี่ท่านก็บอมีเวลาสักทีหรอกจะพาเราไปแต่จิตมันรู้นะว่าเออว่าเรามีทุกอันนี้มันยังอาออกไม่ได้ก็เลิกจากทํางานต้นทํางานกลางคืนนี่มามาวัดแล้วได้ยินเสียงอ่อซีดีของเออตอนสมัยนั้นยังไม่มีซีดีหรอกเป็นเป็นเทปนั่นนะหลวงพ่อวอนี่ท่านเปิดเออหลวงพ่อมหาดิเรกนี่แหละ ท่านก็พูดเรื่องสติสองระดับอย่างน้นอย่างนี้เอ๊ะมันแปลกใจมันสะกิดใจเราไม่เคยได้ยินเลยว่าเรื่องสติทาไมสติมันพ่อกันยังพูดอยู่แต่ว่ามันเรื่องอาจจะว่าท่านพูดเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีสติระดับหนึ่งเราจะฟังเทศไม่เข้าใจหรอกนี่ตอนนี้เข้าใจละท่านพูดเรื่องสติของคนเรานี่มีสองอย่างท่านว่าอยนะ่างี้ โอ้ยวางกระเป๋าปุ๊บมาจากทำงานเหนื่อยเหนื่อยแต่ตามันซ่นขึ้นมาตั้งตาตั้งเลยได้ยินท่านเทศเอ๊พะพระรูปนี่พูดแปลกเว้ยเราก็ฟังพ่ออยู่ทำไมมันไม่จับใจถึงขนาดนี้ท่านบอกว่าคนเรานี่มีสติสองอย่างสติที่เรามีอย่างเดิมเดิมนี่ท่านเรียกว่าสติสัญชัตญาณเราก็ไม่รู้ดกไอคำพูดภาษาบาลีเพราะมันอ่านไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มานั่งฟังท่านพูดและสติ ตัวนี้เนี่ยมันไม่แตกต่างกับสัตว์เดราาัจฉานเออมันสะกิดใจเลยทำไมเอาเราไปเปรียบถึงสัตว์อะไรอย่างี้ก็พูดมันนั่นกระตกเถียงอยู่ในที่ฟังนั่นแหละก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพระไหนเนี่ยพูดเนี่ยกระพอบอกแล้วพระวัดป่าไงท่านสอนเรื่องอลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนท่านวังเนี่ยท่านสอนเรื่องกรรมฐาน ม, มันก็น่าฟังเนาะก็อบอกโอ๊ยไม่มีเวลามากแล้วพ่อยมขอไอ เทปหนื่อยนี้ซะจะเอาไปบ้านแล้วจะไปฟังพอเหนื่อยเราจะกลับมือนอนก็บอกท่านเนี่ยท่านก็โอเคพอเสียวอาให้ท่านก็เอาให้ไปบ้านปกติก็อาบน้ํากินข้าวนั่งไหว้พระแล้วก็จะพักผ่อนมันมันยังสกิดใจเรื่องสตินั่นก็เอามาเปิดฟังฟังกลับไปกลับมาเ้ายัางไม่รู้เรื่องหรอกแต่รู้แต่เรื่องสตินี่เออยังไงเราต้องเข้าไปหาท่านให้ได้อาจารย์องค์นี้พูดแปลกทําไมต้องเอาเราไปเปรียบกับสัตว์ยารสารอย่างงูนอย่างนี้มันก็จิตมันก็คิดเนาะ เต่มันมันด้วยบุญของเราอาจจะเต็มแล้วก็ว่าได้ที่จะต้องเจอท่านให้ได้ลหละยากไปจริงๆไปหาท่านไปวัดทีในหลวงพ่อนี่นก็ไม่มีโอกาสสักทีก็เลยวันนั้นไปวัดท่านบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นงาน อ, าอะไรของท่านนี่แหละวัด่าโอ้ต้องไปให้ได้เราก็มุ่งไปเลยจิตมันรู้แล้วว่า เออเราต้องไปหาอาจารย์องค์นี้ให้ได้แต่ด้วยความนอบน้อมนะเวลาไปเห็นท่านนี่นะเราอยากจะไปถามเรื่องสติสองอย่างนี่แหละทําไมเอาเรามาพูดเรื่องสติถ้าเราไม่มีสติเราจะทํางานได้อย่างนี้เหรอมันคิดของเราเอาเองเนาะนะเออแล้วเราจะลูกตั้งหลูกสี่คนครอบครัวหคนนี้เยอะมากนะมาอยู่อเมริกาแต่เราก็พัฒนาตัวเราขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ทําไมบอกว่าเราไม่มีสติ เออมันอยากเอาไปถามแต่เวลาไปเห็นท่านแล้วโอ้โหโดยบุญบารมีท่านมีท่านจะแบบลักษณะอ่ายังไงล่ะแบบคล้ายๆไปไปเห็นท่านเรามันจิตมันอ่อนไม่กล้าที่จะไปไปถกไปถามไปอะไรนะะั่นะมันอ่อนมันน้อมเข้ามาเลยคือคล้ายๆว่าอยากเป็นลูกศิษย์ท่านเลยอยากเรียนรู้แต่งานเยอะคนก็เยอะงานงานใหญ่คนเยอะเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาท่าน อ, อ, อย่างไงเราก็ให้คนนี้หมดซะก่อนละมันนึกในใจนะจะเข้าไปกราบเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเดียวหลังจากนั้นแล้วก็อืมคนก็ไม่เบาไม่บางสักทีเอออย่างไงก็ไม่ได้แล้วก็คานเข้าไปเลยไปหาท่านกราบท่านท่านก็ว่าโยมเคยมาปฏิบัติหรื อ, อยัง้เราก็มันยังไม่รู้เรื่องก็ว่ายังไม่ได้เคยมาท่านนะอ่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุยคุยกันถ้าได้ปฏิบัติท่านท่านจะพูดและท่านจะสนใจแต่คนอยากปฏิบัติไม่พูดเรื่องอื่น เราก็ว่าออยากมาขอเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่ออยากปฏิบัติโอ้ยดีแล้วดีแล้วท่านว่าโย อ, อ่ะแต่มามีแต่ขออยากให้คนมาปฏิบัติอันนี้มีคนอยามาขอเป็นลูกศิษย์ดีแล้วท่านก็ว่าง่ะจะมาเมื่อไหร่ล่ะท่านก็ถามเลยแล้วนะก็บอกว่าโยยังทํางานอยู่แต่จะมาวันหยุดสองวันก็บอกท่านเออท่านว่าดีแล้วแต่จะพูดน้อยเข้ามาซะมันจะมันจะยาวหลังจากที่พูดกับท่านอย่างนั้นแล้วก็รีบตัดสินใจเลยมาปฏิบัติกับท่าน สองวันหยุดนี่เป็นคนจริงอย่างนี้เรื่องเรื่องควมที่อยากเรียนรู้ท่านก็บอกว่าหยุดวรณพุทธวัาวันพฤหัสจะมาสองวันมาแต่เช้าเอาเรื่องควมปฏิบัติเรื่องเราขวมมีศรัทธาแล้วนอบน้อมถึงท่านแล้วเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาแต่งห่อเข้าของตัวเองมาด้วยนี่แม่สมพรเป็นคนอย่างนี้นะกลัวจะเข้าใจเนี่ยเอาปริญโตหนึ่งให้แม่ชีขึ้นโต๊ะให้พระปริญโตหนึ่งมาให้ตัวเองมา มาแล้วบดซนกับไผ่เลยกราบท่านแล้วท่านก็บอกไปปฏิบัติท่านก็สอนวิธีให้นะเนี่ยวิธีก็อย่างนี้แหละเจ้านางมานานแล้วท่านว่ารับมาตลอดแต่ท่านดีปลูกฝังมาดีแล้วจิตเท่านี่นะ ส, สิเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจนี่มันต้องตื่นขึ้นมาแต่ทั้งนอกทั้งในพร้อมๆกันเราต้องมาฝึกให้มันตื่นทํำยังไงละหลวงพ่อหลวงพาวนจะสอนสาธิตให้นะแต่ไม่ยอมเอานะเพราะว่า มันก็มีทิฐิของเรานั่นแหละคิดว่าต้องไปหาอาจารย์องค์นี้พอเราฟังอาจารย์องค์นี้เป็นคนพูดเราก็ศรัทธาในตัวท่านต้องไปหลวงพ่อว่าเพิ่นสอนยังสี่ลูกโบเลียวเพิ่นเลยบบเหลียวเบิงเพิ่นเลยเพิ่นพูดนะนะก็มาหาท่านท่านก็บอกว่านี่ทําอย่างนี้เด้อต้องลืมตาทำท่านบอกว่าบ้านเขาว่ามื่นตาให้มันกวงกวงทำให้มันตื่นปุ๊บให้มันตื่นถาดแทะถาดลูกของเขามีท่านก็พูดของท่านนั่นแหละมันไม่สนใจอะไรหรอกท่านก็พูดสื่อสารให้เราก็พูด มันหยุดก็ให้รู้นะมันเคลื่อนก็ให้รู้นะมันไม่รู้ก็ให้รู้มันขี้เกียจก็ทำมันขยันก็ทำท่านก็พูดแค่นี้หละท่านก็สอนวิธีลุกวิธีนั่งอะไรก็สอนสอนหมดแล้วจำได้เข้าไปทาเลยทำอย่างนี้แหละแต่แม่สมพรเป็นคนจริงจริ ง, รงเวลาทำนี่ก็ทาไม่เคยไปสนใจกับใครเลยสองปีที่เข้าวัดป่าไม่เคยมากินข้าวกับเพื่อนเลยเอาเป็นโตตัวเองขึ้นไปมันมี วัดมันจะเป็นสองสันนะวัดเก่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรหรอกเพิ่งเริ่มปีขึ้นไปอยู่ตัวคนเดียวนั่งสร้างจังหวะอยู่คนเดียวยามกินกระบอกไม่ชีเลยไม่ต้องมาเรียบจะกินอยู่ตัวคนเดียวทำคนเดียวคงจะไม่ถึงเดือนหรอกที่ไปแค่วันหยุดไปเศร้ากลับเย็นไปเศร้ากลับเย็นแต่ท่านจะจัดรีทิอย่างงี้ละ่ะเจ็ดวันขอไปได้แค่สามวัน วันหยุดสองวันแล้วก็ขอเอ็กซ์ตร้าวันหนึ่งหยุดก็เลยมาเข้าคอสกับท่านอย่างนี้แหละโอ้โหเราตั้งใจตั้งเอาสัจจะคือสอนเรื่องขายง่วงนั่นแหละท่านก็สอนหลายท่าแล้วแต่แม่สมพรคิดว่าท่านบอกว่าทาบพานนิวรนี่บุปไปถึงใสเดอ้อพันบอกว่าต้องให้พานเจ้านางรับมาโดดแล้วนิวรนี่เป็นสิ่งอะไรหลวงพ่อพันก็บอกว่าคืออันมันกีดกัน ที่เขาสิเข่าไปเห็นทำสิบรรลุทำทำอันใดก็เขาบ่าได้อันนี้เป็นด้านแรกที่มันสิคัดขวางเขาท่านก็พูดภาษาภาษาอันแบบให้เขาเข้าใจนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้เข้าใจเนาะยิ่งพูดไม่ได้เลยนะตอนที่ไปหาท่านใหม่ๆท่านก็พูดภาษาบนภาษาลาวภาษาไทยให้เราเข้าใจต้องให้ได้ทํำยังไงค่อยได้หลวงพอ่อถ้าว่ามันง่วงมันก็เคยง่วงท่านบอกนั่งทาใดที่มันยากๆกให้นั่งทําเลยท่านก็บอกว่ า, างี้ เราก็มาเรียนรู้ด้วยตนเองหละท่าที่มันยากที่สุดก็ท่าเทพประบุเนาะมันเจ็บเวทนามากเท่าไหร่ยิ่งเราจะยิ่งไม่หลับนานวานี่สู้มันท่านก็บอกว่าทำยังไงก็ทำให้ได้ให้ผ่านมันมีทุกข์แล้วมันต้องทำหาวิธีทางทำให้ตัวเองนี่ให้ผ่านนิวรณ์นี่ให้ได้เพราะท่านบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่ผ่านนิวรณ์นี่จะไปถึงไหนไม่ได้ธรรมะต่างๆเข้ามาไม่ได้ เออมันก็ติดพุทธโธมาตั้งเจ็ดปีอะ่ะมันก็อยากนั่งมันสนุกแต่ความทุกข์ของเรานี่ท่านก็ลําดับหลายอย่างแหละท่านก็บอกว่าแก้วใบนี้ถ้ามันมีน้ําคอฟี่อยู่แล้วมันก็เต็มแล้วเราอยากกินน้ําเปล่าเพื่อนบอกว่าน้ำเปล่าเนี่มันดีแก่สุขภาพเจ้าเดอ้อเจ้าจะกินใดบอกินบอใดเออคว่ำทิมซะก่อนซะค่อยเอาน้ํานี่มาเทสลองดูว่ามันดีไหมเป็นประโยชน์อย่างไรเราก็รู้เออท่านพูดมีเหตุผลกษัตริ พ่อเอ้ยอนุญาตบาัตรคำตะกี้มันติดเรื่องไหว้พระสองสโมงก็ยังไม่เสร็จไหว้แล้วก็อธิษฐานออ้ยทุกอย่างเลยแหละไอ้สิ่งที่เรายังไม่รู้เขาไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีมันดีสําหรับเราทั้งหมดเลยแหละสิ่งที่เราเคยทํามานั่นนะแต่ว่ามันยังเอาทุกออกจากใจไม่ได้ก็เลยบอกว่าพ่อลูกขออนุญาตนะขอพุทโธขึ้นหิ้งพระไว้ก่อนภาษาอีสานว่าหิ้งพระนั่นนะ เอาไว้สก่อนลูกขอเพราะว่าลูกตอนนี้ลูกต้องทําเมื่อก่อนนี้มันมันเขายัางคารพพ่อเราเนาะเคยทํากับพ่อมาตั้งเจ็ดปีอ่ะแต่มันมันด้วยทุกนี่มันออกไม่ได้เราต้องเสี่ยงละก็เลยตรงซะมันตั้งใจเลยทำสามวัน น, นั่นธรรำตั้งสัจจะอธิษฐานพ่อมาแต่ละครั้งที่สองวันนั้นก็ทุกทุกครั้งดูนาฬิกาเลยสามสิบนาทีนี้ สตั้งสามสามโมงก่อนสามสามโมงนี่จะนั่งแต่สามทุกๆครั้งสามสิบนาทีนี้จะเปลี่ยนอริยะบทหนึ่งแต่ในท่านั่งจะไม่เอาเกินสามท่านี่เป็นคนจริงอย่างนี้เพราะท่านบอกว่าต้องให้ต่อเนื่องต่อเนื่องของท่านนี่เราก็ยังไม่รู้ละเอียดตอนนั้นท่านก็บอกว่าให้ต่อเนื่องนะถ้ามันไม่ต่อเนื่องนี่สตินี่มันเต็มไม่ได้มันต้องเต็มมันต้องใหญ่มันต้องเป็นสติประฐานโอ้ท่านท่านลําดับไม่หมดแต่ไม่สมพรจะเอาแบบน้อยๆที่มาพูดกัน หลังจากนั้นก็ทําอย่างนั้นแหละวันที่สามเข้าใจเลยลูบน้ำนี่สติตัวนี้มันเต็มท่าที่เข้าใจเพราะว่าตั้งสัจจะอธิษฐานตัวเองแล้วนั่งเทพธิดาเทพพบุตรแล้วก็นั่งเข่าตอนที่เข้าใจนี่ตอนนั่งเข่าเลยมันท่อถอยเนาะท่อถอยจิตใจมากที่สุดมากเกือบจะสองเดือนละเข้ามาทุกๆวันหยุด แล้วก็สามวันนี้ขอลูกขอผัวมาอีกเด้ปกตินี่จะมาข้างคืนโบได้ตะกีะ้พูดถึงเรื่องสามีก็เป็นห่วงแหลนะเนาะว่าเราเป็นคนลาวที่เข้าไปวัดไทยแต่หายากมากคนลาวที่จะเข้าไปวัดไทยเนะี่ยอยู่ที่วัดนู้นเนาะมันก็ยากที่คนจะเข้าไปวัดอยู่ดีละไอ้ที่ลนะัติเวกัสนี่ยมันเป็นที่ผ่อนคลายมันเยอะเพราะมีคาสิโนหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจให้ตัวเองเลยว่าเราจะต้องทําให้ได้วันที่สามแล้ว โอยหลวงพ่อบอกว่าอย่าสุวายหลายไวาพระบวายดนก็ได้ดอกไวายแค่อ์อระรหังสัมมาให้จบแล้วก็พอซะบูชาพระรัตนาตรัยพ่อบอกกับท่านแล้วต้องว่ายต้องสองชั่วโมงถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อมันติดท่านบอกว่าอันใดที่ติด ต, ด ต, ดตดพยายามเพิกไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีแต่พยายามให้มันน้อยเราจะได้เวลามาตรงนี้อันนี้มันดีกลัวถ้ามันเกิดสติปัญญาแล้วทุกอย่างมันก็จะดีไปในชีวิตของเรา แต่มันความเคารพนอบน้อมท่านนะท่านพูดอะไรเราก็เชื่อเราก็ทําแต่พูดถึงว่าเรื่องคุมเสื้อนี่มันก็ไม่ดีแต่ว่าท่านพูดมีเหตุมีผลเราก็เลยเชื่อว่าเออเวลาเรามันน้อยจริงนะแค่วันหยุดก็แค่สองวันถ้าเราจะเอาเวลาสองชั่วโมงนี้มาตรงนี้มันเหนื่อยแล้วแล้วเราก็จะมาทําความรู้สึกตัวแบบชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยตกลงตัดให้น้อยแต่วันนั้นเป็นวันที่สามแล้วมันท้อที่ขอสามีมาข้างกับเพื่อนนะ่มานอนมาปฏิบัติธรรมนะนะ ทอ้อแล้วโอ๊ยจิตใจก็อ่อนเพียเนาะเรามาตั้งสามวันไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยก็ทําเหมือนอย่างนี้แหละเล่นตัวเองค่ะว่าอะมันคนเยอะมันจะปีกไปไหนก็มีแต่คนออกไปเดินไปนี่ก็คนถามเหมือนที่เรามาเมื่อแต่ก่อนเราเร่งทำคนเดียวปีกตัวอย่างเดียวอันนี้ปีกไปไหนก็มีแต่เพื่อนเราไม่อยากคุยกับเพื่อนคุยมันก็มันก็ลําบากหน่อยนะมาอย่างนี้เรื่องเก็บปลมหลังจากนั้นเราครุบวันที่สามยังอยู่อีกสามคนอีก ไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นี่ท่านจะแยกกลุ่มออกไปแต่มันเป็นด้วยบุญจริงๆหลังจากนั้นแล้วเพื่อนคนหนึ่งเขาต้องไปเปิดล่านเขาลาไปก่อนเออดีใจเพื่อนอีกคนหนึ่งก็แยกกันไปอีกก็เลยยังมีแต่ตัวเองโอ้มันสะกิดใจขึ้นมาเลยว่าเอ๊เราได้โอกาสแล้วนี่นะเพื่อนก็ไปหมดมีแต่เราคนเดียวอยู่ที่ที่เราเคยไปปฏิบัติมองเห็นพระพุทธรูปเล็กๆอยู่ที่คอนเนอร์อยู่ที่แกฝาแก่ฝาคอนเนอร์นั่น โอ้ยคานเข้าไปเลยคานเข้าไปหาพระพุทธรูปเนี่ยมันจิตใจมันยังติดอยู่ได้มันยังโอ้ยต้องหาที่พึ่งละตอนนี้มาตั้งสามวันแล้วเนี่ยนี่ก็แปดโมงเก้าโมงละตั้งแต่ตีสี่ไหวพระเสร็จห้า 6, โมงนั่งปฏิบัติมามันก็ไม่ได้อะไรเลยจิตมิได้มีความอยากได้นี่คือความอยากของเรานี่ก็เป็นอุปสรรคแต่มันไม่รู้ละตอนนั้นต้องทำละทุกอย่างละกราบพระพุทธรูปองค์เล็กๆนั่นแล้วก็อธิษฐานเลยเพราะเราติดอยู่แล้ว สักเคกาเมขึ้นมาหมดเลยเรียกเทพทั้งหลายมาเลยถ้าข้าพระเจ้านี่นะได้เคยสะสมบุญบารมีมาแต่อดีตศาสตร์ก็ตามศาตรนี่ก็ตามทำบุญอะไรก็ตามขอเทียงขอขอทวงบุญคุณทั้งหมดแหละถ้าบุญบา ร, บารมีมีจริงๆก็ขอให้ได้สัมผัสทำเออไอ้ขวมงวงงายบางครั้งมันก็ดีนะมันช่วยมันพาให้เราวิงกาลังใจอธิษฐานใจเลยก็กราบให้พระอ่า บูชาพระรตนาตายจบก็กลเราขอแล้วแต่เรามีสัจจะของเราเองอีกเราตั้งสัจจะเลยเนี่ยตอนนี้สามสโมงนี้จะนั่งไม่ยอมลุกแต่จะนั่งสามท่านี้แค่นั้นขอท่านแล้วแต่ใจเรามันยังมีสัจจะนี่ต้องทำเรามีศรัทธาและสัจจะเอาความเพียรนี่แหละจะเอาส3มสามท่านี้แค่นั้นเทพธิดาเทพพระบุตรนั่งเขาแต่ละท่าสามสบนาทีไม่ถึงจะไม่เปลี่ยน มันเอาอย่างนี้เลยนะได้ได้ควมสัจจะที่พูดแล้วก็เริ่มเลยเริ่มทำนั่งสร้างจังหวะเออมันเคลื่อนก็รู้มันหยุดก็รู้ทำอย่างนี้ไม่ถึงสามสิบนาทีเลยอาการตรงนี้มันปีมันมันที่บอกไม่สมพรบอกเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนี้นะว่ามันจะรู้ได้เฉพาะตัวเราเอง มันเกิดสภาวะอะไรไม่รู้เลยไม่เคยมีในในที่เคยทำมานะเป็นความเบาสบายไม่มีใครรู้มันอยู่ในท่าตัวนี้แหละนั่งคุกเขากระทนไปตัวนี้เบาเหมือนเราไม่ติดดินเลยจิตใจนี่มันเหมือนคือเราทำไวไวแต่มันไม่ไวแต่ใจของเรามันไวของมันไปเองในสภาวะของตัวนี้เบาแล้ว มันเหมือนคือเราไม่ได้ติดดินแล้วมันมีอักมีเสียงออกมาอุทานเลยบอกว่าดูกายเห็นกายพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะดูกายเห็นกายดูใจเห็นใจมันบอกออกมาเลยเฮะ้ะมันก็เพลินเนาะเรา ป, ปฏิบัติมันดีใจมันโอ้ยมันเอิบอิม่มมันไม่สนเลยในคําพูดนั้นแต่สักพักหนึ่งคือคล้ายๆคือว่ามันคําดาวลงมาแล้วเราเหลียวเห็นมือของเรา เออกายก็มือนี่อะมือเอา้าทาไมมันเคลื่อนใจใจบอกมันเคลื่อนเออดูกายเห็นกายดูใจเห็นใจมันก็บอกออกมารือเสียงนั้นพูดหลังจากที่เสียงนั้นเกิดขึ้นนี่เราจะมีปีติมากดีใจมากโอ้โหยึกว่าตัวเองเข้าใจธรรมะละเอออ้ามือเราทำไมมันเคลื่อนละใจมันบอกโอ้ใจคืออะไรใจที่มันบอกเรานี่นะให้มันเคลื่อน แล้วกายนี่มันไม่รู้อะไรกายก็คือมือมันบอกมือเรานี่แหละมันยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็หลังจากนั้นมันก็ใต้สติขึ้นมาตอนที่มันดีใจเนี่ยมันหลงไปแล้วไใบมีละมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวล้วตอนได้รู้สึกตัวแล้วมาดูเห็นมือเจ้าของมันเคลื่อนไหวโอ้ใจเรานี่นะมันคิดดีคิดซั่วมันเป็นคนพูดเองมันเป็นคนบอกเองให้กายนี่มันเคลื่อนแต่กายจริงๆนี่มันมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันรู้แล้วมันก็ มันแตกสารขึ้นมันของมันเองเรื่องเข้าใจในตัวเองเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแต่มันหลังจากนั้นโอ้โหมันมีพลังมากเลยเพลินทาไปสามสวโมไม่รู้ว่ามันไปถึงตอนไหนแต่ในตอนที่เข้าใจคิดว่ามันแค่ยี่สิบนาทีหลังจากนั้นหลวงพ่อมาเรียกไปทานข้าวมันเอิบอิ่มปีติตรงนี้เนี่ยนะเดินลงมาเพราะว่าอยู่ข้างบน ลงมากับมาจะไปทานข้าวคิดว่าตัวเองไม่ได้เดินเลยเหาะบ้านแล้วเหาะบอกภาษาไทยคือตัวมันลอยมันบิวตั้งสติได้ก็ยังตัวเองนี่ไม่คือไม่ได้เดินเลยมันปิวมันเหาะลงมาว่างั้นเถอะแต่มันเสียงนี้มันจะบอกเราอยู่ตลอดเลยดูกายดูใจดูกายดูใจมันจะบอกอยู่ตลอดเลย เดินลงมาพยายามประคองนึกว่าตัวเองไม่ได้เดินนะนึกว่ามันบินมันเหาะลงมาอย่างนี้แหละจับจับลาวลงมากลัวมันจะล้มเพราะว่ามันมันไม่ได้เหยียบดินในคว่ำเบาของเรามันสลัดออกไปทั้งเกือบจะเปรียบเทียบนี่ก็คล้ายๆคือว่าร้อยหนึ่งมันไปแล้วแปดสิบมันมีแต่ยี่สิบที่จะมันจะเดินดินนะ่ะเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นจิตมันสลุดลงมาเลยโอ้ยท่านเป็นพระอาหารหันเราแล้วเราเข้าใจ ตัวเองแล้วเข้าใจธรรมะเออมันเปิดปีนปีติยินดีคารเข้าไปหาท่านกราบที่ไหนก็ไม่ถึงใจไปกราบเท่าท่านเลยกราบโดยความอ่อนน้อมถ่อมตัวกราบท่านจริงๆท่านเป็นพระอาหารหันเราตอนนั้น อ, ะอ่ะเอยไม่หยุดเลยให้เข้าใจว่าคนไหนที่เข้าใจรูปนามหรือได้สติตัวนี้สติตัวสันสัตญานี่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงปุ๊บ มันได้ตัวนี้แม่สมพรกล้ายั่งยืนได้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันจะเป็นของมันไปในตัวของมันถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงนี้ใครจะมาบอกเราก็ไม่ได้ว่าเจ้ารูรูปรูน้ำเราเดอ้อเจ้าเข้าใจธรรมะเดอ้อยังไม่ได้เพราะพุทธเจ้าก็ยังบอกไม่ได้แต่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะตามมาเลยมันจะรู้เองเคยรักสวยรักงามนะแม่สมพรเนี่ยรูสิบเจ็ดปีคือหลังนี้ไม่รู้หรอกว่าแม่สมพรเป็นอย่างนี้ ชอบทุกอย่างจัดทุกอย่างเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนขี้โมโหมีมีมีมมพยานให้ด้วยนี่สามีหลังจากเข้าใจตรงนี้โอ้ยมันเปลี่ยนแปลงสามีกับบ้านเลดไม่เคยท่าหรอกว่าเจ้ามาสาแท่เจ้าเป็นอีหยงังของอาหารที่เตรียมไว้ก็ทิ้งเนี่ยใจเมื่อก่อนนะค่อยทำงานดีกว่าเจ้า คอยมีความรู้น้อยแต่คอยได้ทำงานดีกว่าเจ้ามันใหญ่หมดทุกอย่างมันจัดหมดแต่หลังจากที่เข้าใจตัวนี้กลับบ้านไปที่เขาไม่อยากให้มาแต่ขอเขาก็ยันก็ยอมมากาบเท้าเขาเลยกาบเท้าสามีเลยขอบใจเด้อที่เจ้าให้คอยไปกาบเท้าสามีเขาโอ้ยคอยสิบาปแล้วเขาก็บอกนะเขาก็ดูเรามาที่เห็นเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งหมดเลยจากที่คนที่จัดทุกอย่างว่า ง, งั้นเถอะ เออก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพราะตัวนี้แหละมาเข้าใจตัวเองแต่เข้าใจตรงนี้แล้วมันจะรักมากรักชอบเรื่องการกระทํานี่มากไม่นั่งนั่งล่าละนิ่งนิ่งบได้เพราะมันรู้ด้วยตัวเองเลยถ้านิ่งปุ๊บความคิดมันสอดเข้าแต่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันตัดแล้วมันจะเลือกมันจะศึกษาข้อมันไปเองเลยมาเข้าใจตามเรื่องว่าโอ้ใจมันบอก ใจมันบอกอันทํานู่นทนํานี่มันเลยแยกรูปแยกนามนี่ออกได้เลยเข้าใจเลยว่ารูปทำรวมนามทำก็ใจนี่แหละทำเราคิดดีทดําดีเราก็รู้เ อ, อเราทําอะไรมันก็รู้มันลูกตามสูตรของหลวงพ่อเทียนเป็นลูกการกระทําของตัวเองถ้าเรารู้แล้ววันเราทำนี่ผิดเราแก้ไขเห็นไหมเมื่อก่อนไปเพ่งโทษแต่ลูกแต่ผัวว่าไม่ดีแต่เราเปลี่ยนเขาไม่ได้จิตใจนี่อ่อนโยนมาหมดเปลี่ยนเรา ปรับเข้าใส่ลูกปรับเข้าใส่ผัวปรับใส่แฟมิลีเมื่อก่อนกินข้าวทานข้าวด้วยกันไม่เคยเงยหน้าดูกันหรอกเรานี่จัดมากเลยไม่อยู่ด้วยความทุกข์จริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันมันจะเรียกอะไรหระเพราะมันสเตรสเนาะเราทํางานเราทุกเราเป็นอพยพบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะมันมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นะแต่มันไม่รู้มันเอามาลงที่ครอบครัวมันเลยอยู่กันด้วยไม่มีความสุข หลังจากที่เราเข้าใจแล้วเรารู้เป็นความผิดทั้งหมดมันอยู่ที่เรานี่สติตัวนี้เราได้รู้เลยว่ามันต้องกลับมาดูตัวเองมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราสายท่านได้เราจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่รู้เขายังไม่เข้าใจลูกก็ยังเด็กเขาไม่รู้มันแก้ไขอยู่ที่ตัวของเราเองก็เลยรู้ว่าโอ้สติตัวนี้มันต้องเข้ามาจัดการข้างในมันไม่ได้ไปเพ่งข้างนอกหลังจากนั้นแล้วก็ พัฒนาเลย <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออรู้ละวะท่ที่ที่จะให้มันออกจากกองทุกนี้ได้อันสิ่งที่งมงายอั น, นั้นก็ออกหมดในจิตในใจเลยมาเข้าใจสมมุติตอนนี้ละเออเข้าใจรูปทำนามทำเนี่ยรู้เข้าใ จ, า เ, าใจเรื่องการกระทาของตัวเองเราทำถูกก็รู้เราทำผิดก็รู้พูดผิดก็รู้พูดถูกก็รู้มันกลับมาแก้ไขละไอ้ตัวตัวสติตัวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสติของสติปัฏฐานละ เข้าใจรูปเข้าใจน้ำท่านว่านะมาพูดให้หลวงพ่อฟังแล้วเออโมทนาสาธุเดอ้อเข้าใจรูปเข้าใจน้ำรูปนามอะไรหลวงพ่อเราไม่รู้นะ่ะภาษาบาลีก็เข้าใจกายเข้าใจใจนั่นละท่านว่านะ่ะเข้าใจตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองได้ต้องเริ่มต้นนี้ไปเจ้ามาพ่อน้องปูน้องปลาแล้วท่านว่าอย่าไปมัวสมมันอยู่หัน่นบ่อเงินบ่อคำบ่อเผ็ดบ่อพลอยยังอีกทั้งหนารีบพัฒนาทำยังไงแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่า บอให้ทำยังให้มาอยู่แต่กับรลุม ก, กับน้ำเนี่ยคือเกาเห็ดแบบเกาตัวนี่สิพาให้ไปมดบอเงินบอกคำของเจา้าบอเพ็ดบอพลอยท่านพูดแต่แค่นี้แหละโอ้โหยท่านไม่ต้องพูดอีกต่อไปเลยแค่นี้เรามันได้ความสุขความพิจติและความที่มันสงบเยอือกเย็นในครอบครัวระดับหนึ่งแล้วมันทําเองมันใจใหญ่เติบโตมากมาเข้าใจสมมุติแหละเก็บอารมณ์นี่บ่อยมากเลยแต่มันเป็นคนที่เนี่แหละคือคือมันเป็นคนจริง ท่านบอกว่ามาเก็บอารมณ์เดอ้อหลวงพ่อกลับมาแล้วสามเดือนขอสามีว่าขอสามเดือนได้ไหมจะลางานก่อนจะเข้าไปบวชศึกษาให้มันจริงๆเป็นคนจริงอย่างนี้จริงๆก็สามีกับลแล้วแต่เจ้าเขาก็เห็นเราเปลี่ยนแปลงเนาะกับสาทุกถ้าไม่มีเขาเป็นคนที่มีจิตใจสุดพอร์ตเราอย่างนี้เราก็มาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกักบนี่บุญบารมีเราก็ทิ้งกันไม่ได้ก็อยู่กันแบบอจะเรียกว่า พ่อพระก็ว่าได้เขาช่วยเหลือเราเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องตั้งแต่วันเข้าใจรูปน้ำมาถึงทุกวันนี้ส่งเสริมซูพพอร์ตเลยก็เลยไปลางานมาทดลองดูสามเดือนโกนผมเลยนะครัว ม, มันมีศรัทธาจริงโกนผมเป็นแม่ชีจริงๆริงนี่แหละเข้าไปศึกษากับท่านเลยเข้าไปก็ น, นึกว่าจะได้ไปทําอย่างนี้เนอะท่านเอาเข้ากุฏิเลยเก็บอารมณ์ตอนนี้เข้าใจรูปเข้าใจน้ําต้องบ่มท่านว่าบ่มให้ตัวรู้นี่มันพัฒนาใหญ่ขึ้นท่านว่า โอ้โหสันมือเดียวท่านส่งเข้าสันมือเดียวเข้าไปศึกษาอยู่ในกุฏินั้นเลยที่บ่มนี่หมายถึงว่าคือหมักม่วงมันเฮิมเนาะเอามาบ่มให้มันสุกมันหวานความว่าของท่านท่านพูดยังไงทําตามทุกอย่างเป็นคนเคารพนอบน้อมกับท่านจริงๆเรายิ่งเราอยากเข้าใจตัวเองระดับหนึ่งแล้วมันยิ่งให้ความเคารพท่านมากเลยเพราะจิตนั้นคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของเราเออก็เริมมาพัฒนาสามเดือนเข้ามาเก็บอารมณ์ มันก็เลยเข้าใจละตัวเองลึกขึ้นไปอีกอยู่ที่เราเข้าไปท่านก็ดึงไปเมืองไทยสี่เดือนสามเดือ น, เ, อนเห็นไหมถ้าเราไม่มีเขาว่าเป็นพ่อพานี่เราเขาก็ให้เราไปไม่ได้นะเออของแพลนกันว่ารีทายแล้วเราจะไปทราเวลแล้วอย่างง้นอย่างนี้เรามีก็มีพอมีนาะฐานะก็โอเคแต่มันไปไม่ได้ แต่เข้าใจตรงนี้แล้วก็เพราะว่าเขาเป็นคนซูปพอตเราเขาก็ให้ไปไปศึกษาที่นู่นที่นี่ก็หลวงพ่อไปเก็บอารมณ์ที่เมืองแพ่ก็ด้วยบุญสาธุลางานเลยนะหลังจากที่เข้าใจไดนะ้สองปีปุ๊บถามสามีเลยว่าคอยลางานใดบ่ขมหูที่คอยเข้าใจนี่แขกคอยตายมันก็ตายไปนน้ำข่อยเลยแต่คอยอยากไปซอยเพื่นว่าคนทุกคนนี่ทําได้แต่ต้องให้มีคนจริงไปพูดเอาประสบการณ์ไปพูด ทุกคนทำได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เรามันเข้าใจมาเลยนะตนต้องเป็นที่พึ่งของตนจริ ง, รงๆละ่ะแม่สมพรรู้อย่างนั้นแล้วเขากระบอกคอยให้เจ้าถ้าออกได้แต่เจ้าสิไปสื่อเพชดสื่อพลอยสื่อเงินสื่อท้องคือเจ้าเหตุใดคอยเกิบดบ่ได้โอ้ยกราบทานเลยสาธุขอเข้ามื้อพอแล้วไอ้สิ่งที่รักสวยรักงามมันปดตั้งแต่วันเข้าใจตัวเองนู่นเลยปลดเพ็ปดปดพลอยปด โอ้ข้งแรกก็ปวดยากยู่นะเพชรนินกินดาที่มีที่เขาซื้อให้นะ้อใครแหละจะไปปลดแหวนแต่งงานราคาสองสามก ร, รัตปวดยากแต่ใจตัวนี้ยังบอกกล้าท้าทายได้เลยขอให้สติตัวนี้เป็นเองให้มันเป็นเองจริงๆแล้วก็มันจะตัดได้คนที่จับจับที่สุดจะได้รู้ตามลำดับของสติปัญญาของเราเลยแต่เจ็ปีนั้นเปลี่ยนแม่สมพรไม่ได้แต่ไอ้สาวันนี่นะเข้าใจตัวนี้ มันเป็นลระดับแต่มันก็ค่อยๆช่วยเข้าไปก่อนหลังจากที่เก็บอารมณ์เข้มสามเดือนเข้าไปบวชศึกษากับท่านแล้วก็ไปศึกษาที่เมืองไทยก็บด้วยบุญกับคุณพี่มาริสานี่แหละเป็นเจ้าภาพศรัทธาไปเพราะเราลางานแล้วเราไม่มีอินคัมคุณพี่เขาอยากให้ช่วยหลวงพ่อเขาก็ที่แรกก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นเจ้าศรัทธาพราะพี่เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนไหนที่ปฏิบัติจริงแต่หลวงพ่อก็หาเจ้าภาพให้ ตอนหลังมาเขาได้รู้ว่าเป็นคุณพี่มณิษานี่แหละเป็นเจ้าภาพให้ตัวเครื่องบินไปเมืองไทยสาธุโมทนากับพี่เขาเขาเป็นคนช่วยพี่แม่สมพรค่อยมาถึงขนาดนี้ก็ได้ทำความเพียรเต็มที่ก็ได้ทำงานหน้าที่ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วลางานโดยที่ไม่มีอินคำอะไรเลยแต่มีความสุขไปไหนก็ไปได้มีมีแต่เทวดาช่วยคือคุณพี่มณิษาก็เทวดานะได้ช่วยหลายอย่าง แต่กระด้วยตัวรู้ตัวเดียวนี่แม่สมพรยังบอกว่าหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าไปวัดไหนที่พูดเรื่องสติน้อยแม่สมพรนี้บอกว่าไกลพุทธศาสนามากนะต้องพูดเรื่องตัวสติตัวนี้เพราะว่าสตินี่ต้องให้เขาเติบโตและใหญ่ให้มันเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตแม่สมพรยังกล้าพูดว่าการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมนี้คือมาปฏิบัติตัวเอง ถ้าปฏิบัติตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วไม่ยากที่จะเข้าใจคนอื่นทุกคนมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันมีโลภโกรธหลงเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันมันจะพัฒนาจากตัวเราแก้ไขตัวเราครอบครัวเขาจะยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเราทุกข์พาะบางครั้งก็อยู่กับคนรอบตัวเรานี่แหละไม่ทุกข์ได้ยังไงกินข้าวไม่เคยมองหน้ากันเลยครอบครัวของน้องนะหลังจากที่มันเข้าใจตัวนี้แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนท่านเราเปลี่ยนอยู่ที่เราเรารู้แล้วว่าเรารู้แต่พรมวิหารสีนี้จะเข้ามายองใจเลยนะเมื่อก่อนนี้ก็รักว่ารักลูกรักพวารักกรมันรักแต่ปากแต่มันทําอะไรมันไม่ได้ทําแบบเหมือนความรักที่ของพระพุทธเจ้าว่าพรมวิหารสีนี้ต้องมีความเมตตาจริงๆทําไม่เมตตาจริงๆมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกออืมาไม่ได้เป็นเมครัวีสิบเจ็ดปีนี่ไม่ได้เมครัวีสี่ห้าคนนี้ยังเหลือแค่สองคนนี้แหละที่ตามหลวงพ่อเนี่ยนะ ขัวสาคนนี้หลวงพ่อบางครั้งไม่ให้ทําเยอะดอกให้ทําคนเดียวท่านจะสอบทุกอย่างเลยอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสันแล้วโต๊ะนี้ท่านบอกว่าไม่ได้เอาไปสันที่นู่นเราต้องหอบพูดไม่ได้อีกต้องหอัวบองไปท่านว่ายังไงก็ไปหลายที่ที่ปฏิบัติคอสแต่และที่นี่ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนอาจารย์วัดของอาจารย์วัดสันดอกมีให้ทุกอย่างโอ้โหยมาเห็นตั้งวันแรก ท่านอาจารย์จัดคอสสักสักครั้งเถอะมากราบเรียนท่านเลยนะปีกายนี่มาเห็นท่านนะมันพร้อมหมดเพราะเราเป็นแม่ครัวเรารู้ว่ามันทุกขนาดไหนไปที่ไหนแต่ละที่นี่หอบอุปกรณ์ทั้งหมดไปเองเพื่ออยากให้พี่น้องเรามาปฏิบัติอยากให้ท่านรู้เพราะเรารู้เราก็มีศรัทธายะนั้นอยากจะทําเองทุกอย่างให้มาปฏิบัติน้ําไม่มีก็หิ้วน้ํา เข้าไม่มีก็หิ้วไปหลวงพ่อนี่ไปชอบแต่ขึ้นภูขึ้นเขาไปปฏิบัติเราก็เป็นคนแบกหลวงพอบางครั้งท่านก็ท่านเหนื่อยแต่ท่านท่านเทศเนาะไอเราเหนื่อยทั้งหอบคก ห, หอบสากนี่สิทั้งหมดเลยก็นําท่านทุกที่เลยก็เฮ็ดได้ทําได้เพราะตัวนี้มันถืกเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อก่อนเนี่ยโบไดดอกเมยสมพรแต่ทางานนี้เป็นคนสั่งครัวเลยเป็นคนสั่งครัวเป็นโฮสต์เตดยี่สสาปีที่ลางานมาเนี่ย เป็นคนสั่งครัวเป็นคนแต่งครัวให้เป็นแต่งสเกจจูให้เวทริสเป็นคนแต่งสเกจจูให้ Bu สเพอร์เให้ครุกเห็นไหมแต่มันเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองลงมาทําครัวทําคลีนบางบ้านนี่ไปก่อนจะได้ทําครัวนี่สามวันยังของอะไรกระจัดกระจัดเราต้องไปคลีนให้เรียบร้อยบ้านเราเอื่นว่าศากกระเบืออย่าเรือหลบเลยตั้งแต่ห้องน้ำคลีนล่างแต่งกับเขาเธอสิได้นอนตื่นตีสาม สามสี่ทุ่มครึ่งตายแล้วทำครัวคนเดียวนะยัง ม, มีกำลังใจอยากให้พี่น้องรู้นี่จิตใจมันใหญ่ถึงขนาดนี้นี่คืออั น, นิสงส์ของการรู้สึกตัวนะแต่เราต้องเป็นคนจริงสักหน่อยทำสิ่งที่เรามานี่อาจจะทำไม่ได้เต็มที่ก็ไม่เป็นไรเราได้บทเรียนแล้วอันนี้แม่สมพรบอกว่าได้บทเรียนแล้ว เราเอาไปทำอยู่บ้านก็ให้เป็นคนจริงสักหน่อยหนึ่งทำต้องทำไปเป็นสเต็ปสเตปคือท่านพาทำนี่แหละให้ตื่นรู้คณะหนึ่งคณะหนึ่งตัวรู้ตัวนี้จะถึกพัฒนาของเขาไปเองถ้าเติบโตเต็มแล้วเขาจะเป็นเหมือนน้าที่มันร่นแล้วมันจะแตกซัวขึ้นมาของมันเองเข้าใจมันก็จะเข้าใจไปตามลำดับที่พูดนี่แหละเข้าใจรูปเข้าใจนามเนะาะทะเรียกจะเข้าใจสมมติเข้าใจ บาปบุญอะไรมันก็จะเป็นสูตรของมันละ่ะเข้าใจวัตถุประมัติอาการก็คืออาการเกิดดับที่ละภาษาบาลีที่ท่านพูดเนี่เห็นอันไนเป็นเกิดเห็นอะไรเป็นดับแต่อันนั้นเป็นภาษาคําพูดไม่สมผนไม่อยากพูดหรอกเพราะเราไม่เก่งเราก็ไม่อยากพูดให้มันเข้าใจตัวเองนี่แหละเราทําถูกก็รู้เราทําผิดก็ ร, ร, กรู้เราเข้าใจพูดถูกก็รู้พูดผิดก็รู้แต่อย่างที่ดีคือว่าทําผิดแล้วแก้ไขใหม่แก้ได้ไหม ผิดถูกเขาว่าผิดแล้วกราบขอโทษได้ไหมนี่ปีดกหนึ่งแล้วนะเนี่ยคือกายวาจาพูดผิดแล้วโอ้ยขอโทษเดอ้อได้เบาผิดไปละขาดสติเพราะว่าผิดกับถูกมันอยู่ด้วยกันมีสติกับขาดสติอยู่ด้วยกันหลงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขใหม่นี่เป็นการที่ดีที่สุดนึกดีโอก็รู้นึกไม่ดีก็รู้เป็นบาปอากุศลมีแล้วโอ้ยเปลี่ยนแปลงแก้ไข นี่มันดีแล้วสามปิดกนี่อยู่ในกายในใจของเ้านี่จบมดเลยแม่สมพรอาร่านโบได้เขียนโบปินแต่มาศึกษาเข้าใจตัวเองแล้วมันไม่แตกต่างกันเลยธรรมะถึง4ี่0 0ดพันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้เรียบร้อยนี้มันตรงต่อเข้ามาอยู่ตร ง, ตรงนี้แหละไปรูดถึงแ0ดหมื่นนั้นก็แก้ไขตัวเองยังไม่ได้มันก็ยังทุกข์อยู่ดีใช่ไหมแต่มันรูดสามปดกนี่น่ะเจ้ามาทั้งกายวาจาใจนี่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้ครอบครัวเป็นสุขแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเรายังมีกรรมต่อกันมันจะเข้าใจไปหมดหรอกไอ้สิ่งที่งมงายอะไรทั้งหมดนี่มันจะออกหลุดออกหมดจากหัวนี่เห็นคุณค่าอันไหนที่มีคุณค่ามากที่สุดอันไหนควรทําก่อนคือตัวปัญญานี่แหละมันจะรู้ขึ้นมาหรือปัญญากั้นกองเข้ามาถ้าพัฒนาไปมากก็เป็นญาณปัญญาละ เป็นลำดับของเขาแล้วมันก็จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเราอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําทําก่อนจะพูดอันนี้สูงนิดหนึ่งเรื่องการว่าตัวปัญญาหรือปัญญายาณอะไรก็ได้คอสสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ถึงบ้านนะนี่นะ่ะแม่สมพุพทรเนี่ยเริ่มตั้งแต่นู่นล่ะไปตั้งแต่เดือนแอปโปรเนี่หละปาจนเดือนนี้เดือนอะไรละเดือนหแล้วเนาะยังไม่ได้กลับบ้านคอสที่จะไปจากนู่นมาถึงอ่ายูทา ลงเครื่องมาวันที่เก้าวันที่สิบจะเดินทางไปยวท่าหลานเข่าอิเมเจันซี่เลยหลานหลานคนนี้นี่น่าสงสารมากเออถ้าพูดถึงว่านิกรักมากแล้วนะลงเครื่องมาตอนสองโมงสามโมงบ่ายสามโมงของวันที่เก้าวันที่สิบแต่เช้าหกโมงต้องเดินทางไปเข้าคอส ท, ที่ยูทาเราต้องเป็นแม่ครัวด้วยคอสนั้นจะขึ้นวันที่สิบห้าแต่เราต้องไปวันที่สิบต้องไปเตรียมอาหมอาหารอ่า พี่มาริสาก็บอกว่าพี่ไปซอยนองบไดาเด้อโ อ, อไม่เป็นไรพี่แต่พี่จะไปซิกาโก้แล้วจะไปมาริแลนด์โอเคพี่เราต้องไปลูกเขยลูกสาวร้องให้ใหญ่เลยหลานเข้าอเมเจนซี่เนาะแม่แม่จะไปแล้วเลยต้องอยู่กับลูกนะลูกไม่ได้นะแม่โอ้ยไม่พูดซักคว่ำเลยลงเครื่องมาเข้าไปรับจากสนามบินมามาถึงบ้านต้องเข้าอเมเจนซีใจนี่มันนึกนะในใจว่าเออ ถ้าเราพูดไปไม่ได้ตอนนี้ลูกก็จะเสียใจคําที่ให้เขาเบียดเบียนเขามันก็จะเป็นบาปเนาะแต่มันในใจว่าถ้าเราไม่ไปงานรีชีตตรงนั้นไม่เกิดแน่เพราะว่าทุกคนก็มองเห็นเราเป็นตัวหลักแล้วว่าเราต้องไปซื้ออาหอมอาหารซื้ออะไรเราเตรียมเราจะเป็นแม่ครัวแล้วกับเพื่อนสองคนก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วจะต้องมาเดินเดินทางด้วยกันพรุ่งนี้เชา้านิ่งไม่พูดไม่จะเออเอาของมาไม่ได้กลับบ้านตัวเองนะไปบ้านลูกก่อนพ่อหลานเข้าโรงพยาบาลละ ก็ไม่พูดอะไรมาตัดสินใจว่าถ้าเราจะพูดตอนนี้เดี๋ยวลูกเขยก็จะเสียใจลูกสาวแต่มันใจมันมั น, ม, นมันแต่งสเกจจู้ให้มันเองเลยปุ๊บเราอยู่เราก็ช่วยชีวิตของหลานนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหมอแต่งานนี้สําคัญกว่าถ้า ง, งานรีนทรีชนี้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นมันสําคัญกว่าก็เลยมาพูดกับสามีว่าคอยให้เจ้าอยู่ยกเลิกตัวเครื่องบินเจ้าเอยตัวรถบัตรเจ้าเจ้าอยู่กับหลานคอยจะไปคอยต้องไปงานตรงนี้ไม่ไปไม่ได้ เขาก็เลยบอกว่างานมันขึ้นสิบห้าไม่ได้เหรอลูกไปพ่อมหลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อจะไปสิบสองอย่างน้อยได้อยู่กับหลานสักวันหนึ่งนิ่งไม่พูดกับสามีอีกไม่พูดอีกเพราะว่ามันเข้าใจท่านก็อยากถ้าไปสิบสองก็ทันแต่เราก็ไม่อยากให้เฮิร์ตเพื่อนทุกคนเราต้องไปเตรียมงานก็ไม่พูดไม่จ้าตื่นเศร้ามาก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเจ้าต้องอยู่กับหลานคอยต้องไปเขาจะไปส่งเราเขายังไม่รู้เรื่องว่าเราต้องตัดสินใจไปจริงหรือเปล่าแต่ไปก็เดินทางไป ไม่ให้ใครรู้เลยจนถึงวันสุดท้ายของงานเสร็จมาพูดอาจารย์เจ้าออวาดยิ่งบอกว่าโอ้โหถ้าคนอื่นฟังนี่เขากระสีว่าเจ้าทิมขอบทิมครัวได้นี่น่ะหลานถึงเขาอิมเมจันซียังมาได้แต่ใจของเรามันคิดถูกแล้วว่าเราอยู่เราก็ช่วยเขาไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของหมอเรื่องรักมันรักแต่ว่ามันต้องแยกแยะว่างานนี้ต้องทาก่อนเราต้องไปหลังจากนั้นลท่านก็อนุมันาว่าเออ ก็เข้าใจในตัวจุดประสงค์แต่คนระดับอื่นกนคะคะจะบอกเข้าใจหรอกกรว่งเขาปฏิบัติธรมอย่างคือทิ่มลูกทิ่มเต้ามันต้องครอบครัวามาก่อนแต่จิตของควมที่รู้ว่าอะไรควรทําก่อนและควรทําตามหลังเนี่ยมันก็เป็นสองระดับอีกละ่ะจริงลูกของเราหลานของเราแต่ในใจของเรามันเข้าใจแล้วว่างานตรงนี้น่ะอันที่เรายังช่วยไม่ได้ก็ยังมีคนจะช่วยเราได้แต่งานของพุทธศาสนาถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดมันยกเลิกไปจริงๆ อันนั่นเป็นงานที่สูงสุดนะถ้าสมมุติว่ามีคนเข้าใจธรรมะในตรงนั้นแล้วไม่ได้งานตรงนั้นไม่ได้เกิดมันก็เสียไปแล้วแม่สมพรก็เลยรู้ว่าโอ้มันพาให้จิตใจเราหนักแน่นพาให้เรามีความกล้ า, าหาญที่จะทำไม่เคยกลัวเลยบอกว่าแม่ครัวคนเดียวเดวไม่เคยวิตกวิตตงเลยทำด้วยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นได้อาหารสิ้นเดียวก็เอาไปสิ้นเดียวไม่ได้รีบไม่ได้ร้อน ไม่ได้มาลงโครงเคงอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกจริงๆมันจะเป็นจัดออแ ก, กนไนของมันไปเองแต่มาที่นี่บุญส า, าทุไม่ได้ทําครัวซิกาโก้ไม่ได้ทําครัวเพราะว่ามีเทวดามาเลี้ยงเออเราก็ได้ทําความเพียรเต็มที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อก็นี่แถวเพราะะหลายงานแล้วก็สงสารท่าน ก็ไม่มีอะไรไม่สมพรทําอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่เป็นดอกแต่พูดออกจากประสบการณ์เรื่องความจริงนี่แหละขออยากให้มีกําลังใจว่ายากมากนะที่จะได้เจอหลวงพ่อนะท่านจะทํางานสิ้นนี้อย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่แม่สมพรลูกลูกท่านลู่จากลูกศิษย์ของท่านว่าท่านทํางานอย่างนี้อ่าเรื่องสอนให้คนให้รู้ตัวเองคือบอกว่าไปปลุกคนตื่นว่าศิษยพูดง่ายๆคือว่างานอื่นไม่เอาละแค่นี้ หลังจากที่รู้แล้วมาปฏิบัติกับท่านรู้ท่านได้เดินสายกับท่านท่านก็ทําเรื่องนี้จริงๆคนไม่ชอบหรอกไม่ชอบอะไรเพราะว่าต้องคุมให้ปฏิบัติแต่คนที่เข้าใจน้อยนะี่ยนะที่คนเข้าใจว่าเอออันนี้มันมีคุณมีค่าก็ศรัทธาแต่คนที่ยังไม่เข้าใจก็เออยังไม่อยากทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วท่านเป็นคนจริงจริ ง, รงถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงเนี่ยอยู่เมืองไทยก็โทรมาสอบอารมณ์ให้อันนี้แม่สมพรเห็นคุณค่าของท่านมาก ท่านบอกว่าเก็บอารมณ์แล้วท่านอยู่เมืองไทยท่านก็บอเออมีอะไรอะไรก็โทรถามได้ท่านจะบีซีขนาดไหนท่านก็จะเป็นถามให้ถ้าสมมุติว่าเราขัดข้องเรื่องการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องจริงสําหรับหลวงพ่อมหาดิเลศท่านทํางานเช่นนี้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ให้เราครึ่งหนึ่งคือการการบอกการชี้การแนะเต็กสิ่งที่จะทําเอาก็เราอีกครึ่งหนึ่งล่ะต้องเป็น อัตตหิอัตนโนนาโถจริงๆละเป็นที่พึ่งของตนจริงๆถ้าพูดถึงว่าอัตตหิอัตโนนาโถตอนนี้แม่สมพรเข้าใจแล้วเราจะคิดว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองเรื่องโอ้หายู่หากินพัฒนาตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งนี่มันก็ยังเป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นเรื่องของทางโลกถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองจริงๆนะนะถ้าสมมุติว่าเรายังพึ่งตัวสติตัวสมาธิตัวตัวปัญญาของเรายังไม่ได้อันนี้ยังไม่ใช่ นี่เป็นเรื่องจริงเราต้องพัฒนาตัวสติตัวนี้ให้เป็นตัวศีลสมาธิปัญญาให้พึ่งตัวเองได้มันค่อยจะเรียกว่าเป็นอัตติอัตโนนาถูนี่จริงๆอันนั้นมันพึ่งได้แค่สมมตุติทางโลกก็ดีระดับหนึ่งที่พัฒนาตัวเองจากอพยพมามีมีฐานะระดับหนึ่งก็อยู่รอดปลอดภัยได้สบายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมันก็ทางโลกแต่พัฒนาด้านทางธรรมนี้ขึ้นมาให้มี สติปัญญาได้พึ่งตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้ใส่ตัวเองให้เป็นคือหลวงพ่อเห็นตัวเองให้ชัดจัดซ้ำตัวเองให้ถูกต้องได้นี่นี่คือความที่พึ่งตัวเองได้แบบนี้มันน่าอนุโมทนากลัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็แม่สมพรไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่คือประสบการณ์ต้องอยากให้ทําจริงจริ ง, รงเรารู้และวิทาวิซาที่หลวงพ่อให้ท่านสาธิตทุกอย่าง ตามลำดับนั้นแล้วก็แม่สมพลก็ได้ช่วยเรื่องการที่จะแก้นีิบอลแก้อารมณ์อะไรหลายๆอย่างเทคนิคบางทีบางคนที่ทําไปมันก็อาจจะง่วงมากนะเพราะมันมันยังใหม่ของเก่าเราเยอะคือหลวงพ่อว่านะะั่นแหะเราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงช่วยได้แต่ต้องเป็นคนจริงสักหน่อยก็ต้องได้แน่นอนเพราะว่าดีแล้วโรคพยาธิทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะหายหมดแม่สมพลนี่เป็นโรคตั้งหลายโรคเออหลวงพ่ออยากให้พูดเรื่องสุขภาพสุดท้าย เมสสพรนี่เป็นโรคหอบหืดภาษาแล้วเรียกว่าเป็นขี้กะยือ้อบ้านนี่พันเอิร์แอสมาเป็นเยอะเป็นจนถึงขั้นไปฝังเข็มหมอจีนหมอเขาเรียหมออเมริกาเขาก็บอกว่าซอยบบได้ปอดนี่มันแฟบลงมาหมดแล้วท่านบอกว่าตอนนอนในี่ต้องใส่ออกซิเจนท่านว่านั่นนะเพราะว่ามันจะยุบวันพุ่งตายพุ่งตายค่าไม่รู้ สีดยาทุกๆหกสมโมงไม่อยู่เอาสี่สโมงเขาบอกสี่สโมงยานี่แรงมากเลยแอดแวร์ใครเป็นหมอจะได้รู้เนาะแอดแวร์นี่แรงมากสีดเข้าไปต้องล้างปากแปรงฟันเรียบร้อยเช้าเย็นสา้าเย็นทุกๆสี่สโมงอีกไม่บางวันมันขึ้นมากมันไม่มีแรงที่จะสูบยาแอดแวร์เขาจะมีแบบโรงพยาบาลให้อะไช่ที่เป็นมาชินนะเสียบไฟแล้วก็ <c oughs> มันจะช่วยเราสูบเข้าไป เป็นมากที่สุดเลยก็ด้วยบุญมาปฏิบัติธรรมแล้วยาไม่ได้กินเลยเห็นไหมอานิส ง, ง์จริงๆสาธุธรรมรักษาจริงๆแล้วโลกกระเพาะนี่ก็เป็นรูสี่รูไปกระหลวงพ่อขึ้นเขาลงเขาโอ๊ยกินข้าวมื้อเดียวท่านเอาไปตั้งแต่ลูกศิษย์ท่านที่ไหนที่มันยากๆท่านเอาไปไปไว้ที่นั่นละ่ะไปให้เราไปฝึกให้มันเข้มแข็งว่างั้นเถอะมันก็ยู่รอดปลอดภยัยเพราะ โลกอาจจะยังอยู่แต่ใจมันไม่เป็นทุกขออ์แต่มันก็เลยจิตใจนี้มันเป็นใหญ่จริงๆนะสมท่านว่าจิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จอยู่ที่ใจใจเข้มแข็งแล้วทุกอย่างมันพัฒนาไปของมันเองมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาสักอย่างเลยแต่ยาที่ดีที่สุดคือนาปัสสาวะของเราอันนี้ไม่เคยเปิดเผยให้ใครแต่เคยพูดกับน้องเป็ดไปละ นี่ดีมากเลยที่โลกระเพาะที่จะหายนี่ก็อาจจะเป็นน้ําปัสสาวะเมื่อก่อนดื่มแต่ดื่มน้อยตอนนี้ออกมาเข้าไปเลยสบายเลยใส่หูใส่ตาไม่ได้เคยไปหยุดห้องน้ําหรอกเห็นไหมคนเราที่นอนร่วมกันที่นี่เดี๋ยวก็ไปห้องน้ําลุกไปลุกมาปุ้งปิ้งพูดกันมารังจางจริง อ, อืไม่สมพ์เงียบเข้าในตรงนั้นเสร็จจับตรงนั้นแปรงมา่าล้างฟันเรียบร้อยนี่คือยา คือเคล็ดลับของพระพุทธเจ้าขนาดสาวกของ ท, ท่านยังไม่กล้าที่จะดื่มท่านให้เอาดองหมักสมมอเคยจะได้รู้เนาะต้องได้ดื่มได้สันโรคพยาธิไย่ๆขันจะตายแล้วพระพุทธเจ้าให้ดื่มอุจระด้วยนะอุจจระนี่เอาไปถ่ายใส่ อ, อาจจะมีในพระใจพิดกเราก็ไม่รู้นะอันนี้ได้ยินหลวงพ่อท่านพูดกัเลยว่าทายใส่ขี้ดินบานแล้วนาะ น, นะมันแห้งใช่ไหมมั้วมันแห้งแล้วเอามาเผาไฟเอาใส่ผ้าขาวมากองให้สัน สมัยพุทธกาลเนาะอันนี้แม่สมพรก็ไม่รู้แต่อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังแต่เราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่น้าปัสสาวะนี่แม่สมพรทํามาแล้วทําดีท็อกด้วยเอาอดื่มด้วยกะ็ะคืบวันโลกทุกๆโลกแล้วเราก็มีสติระดับหนึ่งแล้วเราก็แยกแยะเรื่องอาหารได้ของดองของมันของอะไรนี่เราก็ตัดตัดตั ด, ตดได้เมื่อก่อนเราตัดไม่ได้หรอก ความอยากนี่ทุกคนก็รู้แล้วสิ่งไหนที่ว่ามันเคยติดเคยชอบนี่นะเห็นแล้วเนี่ยมันต้องเอาสกอรนต้องซีมต้องกิ่นสกอรนแต่เรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอยากลองอยากซีมลหลังจากนั้นเราก็ตัดตด ต, ด ต, ด ต, ดตัดออกก็เขาก็มาปรับปรุงแก้ไขเรื่องอาหารหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายให้ถูกต้องแล้วก็ภาวนาตัวภาวนานี่เป็นหลักอยู่แล้วสิบเจ็ดปี ตั้งแต่ส7บปีมาถึงทุกวันนี้มีโอกาสปุ๊บหลวงพ่อกลับเมืองไทยหรือเราได้อยู่ส่วนตัวต้องเก็บอารมณ์แม่สะพรอนต้องเอาเก็บอารมณ์เป็นฐานคือชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเลยตอนนี้ก็ได้ชาร์จน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็รัดนั่นว่าโอ้ยหลวงพ่ อ, อยูแม่อยากเก็บอารมณ์พี่อยากเก็บอารมณ์คุณหมออยากทำารื่อ น, นี้เราก็ไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงอาทิตย์หนึ่งสิบวันก็ไปแม่สะพรก็ไปก็ทางาน คล้ายๆคือว่าไม่ได้ไปเป็นครูบาอาจารย์หรอกไปช่วยทำกับข้าวให้เขาแล้วก็คอยดูแลเออวิธีออสอบ อ, อ, อารมณ์ก็มันทุกคนเราก็รู้ระดับนี้ก็พอช่วยกันได้นิดๆีหน่อยแค่นั้นเองเพราะหลวงพ่อว่าต้องไปต้องช่วยอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกเราเองไปด้วยอย่างนี้เลยนะนี่ก็ได้รับปากชิคาโกแล้วต้องกลับคืนอีกก็จะได้ไปอีกตอนหลวงพ่อไปฝรั่งเศสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกอย่างเราก็รู้แล้ว ของกินบอกกินมันเกา่าของเน่าบ่กเรามันลืมเหมือนบอกพี่นว่าอันนี้ก็คือกันเรามีแล้วแต่กายะสุไห่ปล่อยไปมันสิจืดถ้ามันจืดมันจางและรูปนามขั้นต้นสิบยี่สิเปอร์เซ็นตนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ต่อเนื่องเลยนะมันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมยิ่งแย่กว่าเดิมเลยเข้าใจตัวเองนิดนิดหน่อยๆน่นี่นะได้แค่หนึ่งระดับหนึ่งนี่มันยังเสื่อมอยู่ต้องพัฒนาให้เขาอย่างน้อยต้องมาห้าสิบหรือเจ็ดิ้าเปอร์เซต ถ้ายังไม่ได้รักไอ้ตรงนี้ยังทําำทิ้ทิ้งเนี่ยแสดงว่ามันจืดไปแล้วถ้ายังรักตรงนี้ตลอดทําตลอดนี้แสดงว่าเออเข้มแข็งขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะเราต้องเห็นคุณค่าหรืออา น, นิสงค์ของเขาใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นอา น, นิสงค์ของเขาว่ามันใช่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมันดียังไงเราไม่ทําหรอกก็เหมือนที่เรายังไม่รู้คุณค่าของเงินเห็นไหมทุกคนในท่ายังไม่รู้เอาเปรียบเทียบคือคนผีบาสะเขาบูฮู้เรื่องคุณค่าของเงินนี่นะเขาก็พวหาเด้อ แต่เรานี่รู้ว่าเงินนี้เอามาใช้เราจะเรียกอะไรคือให้ความสะดวกสบายเนาะไม่ถึงว่าเอาผ่อนคลายเรื่องนี้หรอกให้ความสะดวกสบายตั้งแต่พ่อแม่เราถึอรู้มาพ่อแม่เราสอนเราก็หาเงินหามลุมหามค่าแม่สมพรนี่เป็นแม่ค้าบางวันไม่ทานเขายังอิ่มเลยดีใจเพราะความอยากต้องได้เงินหลังจากเสร็จปุ๊บมานอนนี่ไปเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเรารู้คุณค่าของเงินต้องมาใสความสะดวกสบายแต่อันนี้ถ้าเรารู้คุณค่าของเขาว่าโอ้มันพึ่งได้จริงๆเนาะมันทำได้จริงๆเนาะจากคนที่แย่ๆโลภจัดโกรธจัดหลงจัดแต่มันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราได้เราเห็นคุณค่าของเขาเราต้องอยากทำสันใดก็สันนั้นแต่ต้องทาให้ด้วยความถือต้อง ทําให้มันเกิดให้มันเป็นจริงๆแล้วมันจะเห็นอ น, นิสงของเขาไม่มีอะไรหรอกที่มันมีสร้างเหตุแล้วไม่ได้ผลถ้าเราสร้างเหตุเหตุตัวรู้สิ่งที่ตาตามมาก็คือความรู้รู้พร้อมแก้ไขได้อันนี้ก็คือประสบการณ์ของแม่สมพลนะมีคําถามอะไรไหมถ้าสมมติว่ายังคําถามเรื่องยังสงสัยเรื่องการเออ สุขภาพรวมบัตรบอรหรือสุขเรื่องการปฏิบัติบอยังสงสัยยังไงก็าถามได้โลกใบนี้เนี่ยเราจะหาความสงบน่ น, นะมันไม่ได้หรอกใช่หมเราอยู่กับเพื่อนแต่เราจะทำสงบของเรานี่แหละให้ได้ก็ตัวรู้สึกตัวนี้แหละพัฒนาให้เขารู้ถ้าเรารู้แจ้งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะสงบของมันเองไอ้สิ่งที่เรายังไม่สงบนี่คือเรายังไม่รู้แจ้ง มันจะไปเดียงสาอะไ้เด็กคนนั้นอ่ะเขายังไม่รู้ลูกเขาละเออเนี่ยเนี่ยนั่นแหละพยายามให้กลับมามันรู้แจ้งทุกอย่างแล้วมันจะสงบของเราเองทุกอย่างเลยคุณพี่สมมุติว่าน้องสงสัยไอ้เรื่องไมโครโฟนนี่เนาะสงสัยว่าหลวงพ่อเอานี่มาทําไมเนี่ยพูดแต่อันนี้ก็ไม่ได้เหรอทำไมต้องเอานี่มาถ้าน้องยังสงสัยอยู่น้องก็จะมีคําถามอยู่นี่แหละถ้าน้องรู้แล้วว่าโอ้อันนี้ท่านจะต้องมารีคอร์ดเสียงไว้ อันนี้คือไซให้เสียงมันดังขึ้นมาน้องรู้แจ้งแล้วจะไม่มีคําถามทุกอย่างเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงบอกแล้วต้องสร้างตัวรู้นี่ให้เขารู้แจ้งจริงๆเราจะเปรียบเทียบว่าเป็นปัญญาหรือปัญญายานนั่นก็เป็นเรื่องของสมพูดแต่พูดถึงว่าทุกอย่างถ้าเรารู้แจ้งชัดเจนจะไม่มีคุยชั้นเลยจะไม่มีคําถามเลยจริ ง, รงถือแล้วแต่ว่าเราจะพัฒนาจากตัวนี้แล้วมันจะเป็นของมันไปเองเรื่องเก็บอารมณ์ก็อย่าพูดนิดหนึ่งนะเวลาอยู่บ้านเรา ไม่ใช่ว่าจะ ต, ต้องเก็บเข้มเหมือนแม่สมพรบอกหรอกเรื่องเก็บอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องศรัทธาถ้าสมมุติว่าเราอยากทำเราเป็นคนจริงระดับหนึ่งหเซสิบซนตก็ได้แต่ศีล น, นี่นะถ้าสมมติว่ามีสติเราก็มีศีลแล้วเนาะหลวงพ่อท่านพูดเนาะแต่เราก็พยายามให้มีมีศรัทธาขึ้นมาสมมุติว่าเรามี 20% สิเอร์เซ็นตก็พัฒนาให้ขึ้นมาห้าสิบซะห้าสิบซะศรัทธาที่เราอยากทา เราจัดตารางของเราไม่สมพลทาอย่างนั้นจัดตารางให้ตัวเองเลยทำงานเกรฟยาร์ดก็ยังมีเวลาปฏิบัติเลยเออทำงานเจ็ดวันก็ยังมีเวลาเลยตอนนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ที่เราจะไปอพยพกับ j อบทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราจะล็อกสเกจจูของเราไว้อย่างน้อ ย, อยไม่มีโอกาสสิบห้านาทีก็ยังดีมาทำรูปแบบนี่เห็นไหมต้องให้ตารางให้ตัวเอง ไหว้พระสมมุติว่าโอ้ยขั้นนี้สิผานธิ์ก็บบได้ไหว้พระไม่เป็นไรนี่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วกาบสามหนุนเฮ่ห้าหนุนแล้วลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จบแล้วก็ระลึกเลยเอาความรู้สึกตัวนี่แหละอันนี้สูงสุดเราได้ยินใช่ไหมท่านอาจารย์พูดว่างั้นจะบูชาอ่าดอกไม้ทูบเทียนตั้งแต่เพื่อนดินถึงผุนอินพรมนุ่นท่านก็ยังไม่ใช่ว่าเป็น คำว่าบูชาอย่างแท้จริงแต่อันนี้เป็นปฏิบัติบูชาเห็นไหมเราจะคิดว่าโอ้ยไม่ได้วายพระสิบหนาทีมกบไท้ต้องวายสักสิบนาทีเอาแต่หานาทีทําคว่ำมูอสึกตัวโบเมนหานาทีสิบนาทีก็เป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดแล้วที่สุดของที่สุดของการบูชาแล้วไม่ต้องห่วงเรามีน้อยทําเลยแต่ให้มีสัจจะให้ตัวเองว่าเราทําแล้วให้เรากําหนดรู้ทุกครั้งที่มันหยุดกําหนด ทุกครั้งที่มันเคลื่อนแล้วเราก็จะค่อยพัฒนาตัวรู้นี่ไปให้เขาใหญ่โตและเติบเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราได้ถ้ามีเวลาเยอะอก็เหมือนที่ว่าเราจะพุดละ1ันดาเลอร์เลยแหละใส่พิกี้แบงเราเลยเนี่ยรีชาร์จเข้าไปเลยทั้งหมดเลยถ้ามีมากนะถ้าไม่มีก็ไปอพพลายกับจอบไปทำงานทำการอยู่บ้านเดินไปไหนเราก็เดินอยู่แล้วเดินเราจะเดินจมกลมเราก็เก็บมืออยู่ที่นี่ใช่ไหม อันนี้เวลาเราจะออกไปห้องน้ําไม่ได้เก็บมือละไปแล้วอย่างนี้มันขาดมันไมไ่ต่อเนื่องเมื่อก่อนเมย์สมพลก็เป็นเหมือนกันเพราะไม่รู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังทั้งวังเลยบัดจะกลับบ้านเนี่ยปวดฝ้าถือกระเป๋าพายแล้วกระแจไปแล้วปึ้ ม, ป, มปั๊มปึม้มปั๊มมันหลุดท่านก็บอกมาไห้ทําไมท่านก็จะบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องไม่แยกการการทํางานกับการปฏิบัติเออเมื่อก่อนเราขาดขาดลงๆเนาะปฏิบัติใหม่ก็เลยมาฝึกมาแอบใหม่ ตอนเข้าเก็บอารมณ์นี่นะบางครั้งฝื้นตัวเองเลยมันเหนื่อยมันหิวอยากน้ำมันจะไปแบบสันสาตวารจะไปเอาได้สติปุ๊บวางเลยขวดน้ำาปงไวเหมือนก่อนฉันจะไม่ดึงฉันจะไปด้วยมีสติจริงจริงฝึกให้เขาเกิดความเคยชินเนี่ยตั้งใจกับเอามือกับใจไปด้วยกันเลยฉันจะคอยไปจับเราไม่มีธุระอะไรแล้วเราเก็บอารมณ์อยู่ที่บ้านทาเลยฝึกตัวนี้แหละให้มันสนานาญ จับด้วยมีสติขึ้นมาเปิดขวดน้ําก็มีสติแล้วก็ดื่มมีสติวางไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหลงอีกละ่ะจะเดินละลุกขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งไปครึ่งทางแล้วนะเมสสพรกลับมาใหม่มานั่งเก้าอี้ใหม่สร้างจังหวะไปสักหน่อยก่อนรละลึกรู้ค่อยจะโบไปแบบตามเจ้าอีกแล้ว17บชั่วโมงแต่ละวันตีสถึงสามทุ่มสัจจะเลยจะไม่เอาหลังลงพื้นก็ไม่เอาลงเด็ดขาด ต้องมีสัจจะให้ตัวเองเราก็ไม่ได้เอาถึงขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าไปตามลำดับนะตามลำดับของสติหรือกําลังของเราเองเราก็เอาห้านาทีคือแม่สุ พ, พรรณธรรมนั่นแหละ <c oughs> อันนี้มันทุกข์มากมันก็เลยมีความอยากจะออกจากทุกข์มากมันก็เลยทําแบบอะไรแบบบ้าบอหน่อยเออก็เลยทําอย่างนั้นละ่ะกลับไปกลับมากวด บ, บ้านพยายามกู้เมื่อก่อนนี้มันกลับไปปัดปัดไปตามใจของมันอยากแล้วอยากเร็อเวอยากเสร็จ แต่อันนี้มันจะกวดให้มีสติอื <heal. S 2> ปัดไปทําไมต้องมาซิดอย่างนี้มันก็ บ, บอกตัวเองละ่ะขี้ฝุ่นมันยังติดอยู่ในฟอยเนาะ <samples> ขวดมาอยากให้มีความรู้สึกเออเสร็จเสร็จไปเป็นลําดับตอนนี้ไม่มีฟอย ก, กดบ้านแล้วนะบางครัง้งบางบ้านก็จะมีแว็กจุ้มแว็กจุ่มดูไปให้กายกับใจนี้ไปด้วยกันทุกครั้งมีสติแล้วเป็นการปฏิบัติแล้วอันนี้คืออริยบทย่อยการทํา การไม่แยกงานกับการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นมันได้น้อยแต่หาโอกาสให้มันได้ทํารูปแบบสักสิบสองโมงจะแบ่งไว้ตอนไหนก็ได้ไม่ต่อเนื่องไม่นั่นกันก็ได้ขอให้เป็น15นาทีตอนนี้ก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วอายาบทย่อยลุกออกากตรงนี้ไปต้องสํารวมไปการปฏิบัติเนี่ยอย่าแยกกันเลยเก็บมือเคยเก็บก็เก็บหรือจะไม่เก็บแบบอย่างนี้ก็เก็บอย่างนี้แต่แต่เดินให้มีสติ แต่ละก้าวแต่ละก้าวจะเปิดประตูแต่ละครั้งทําไมเราต้องเว่าวพุโทโธสามครั้งล่ะทำโมทําไมตูติยัมปีตาติยัมปีสามครั้งนี่เป็นคําสอนที่ท่านอยากให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่จะทําให้ลึกรู้เช็คดูสามครั้งจะเปิดประตูไขประตูล็อกหรือยังมันเป็นอย่างนั้นสามครั้งทุกครั้งเพื่อให้ซ้าตอกย้าตัวสติตัวนี้เวลาเรากลับไปที่ไหนเราจะนึกได้ว่าเอ๊ปิด สต็อปหรื อ, อยัง ห, หรือลืมปิดไฟหรือยัง อ, อ, อย่างนี้นะเรา learning, ลึกรู้ว่าเราปิดปุ๊บมันจะได้รู้ขึ้นมาโอ้ปิดแล้วพอเราเช็คดูตั้งหลายครั้งลแล้วก่อนและที่เราจะหยุดนี่คือการตอกซ้ําตัวสติหรือความรู้สึกนี้ให้มันชัดเจนแล้วเราค่อยไปเราค่อยทําอย่างอื่นนี่มันจะเป็นผลดีสําหรับเราจะเอาไปทําอยู่บ้านนะจะเก็บอารมณ์จะเอาวันหนึ่งครึ่งวันอะไรก็ทําได้ไม่ต้องว่าเอา5วัน7วัน2เดือน3เดือนคือแม่สมพรทำหรอกไม่ต้อง แต่ทําอย่างนี้แหละฉันมีสัจจะให้ตัวเองแล้ววันนี้จะไม่พูดกับใครฉันจะอยู่คนเดียวฉันจะทําควมเพียรของตัวเอง30สิบนาทีก็ขอให้มันได้30สิบนาทีจริงๆจะลุกจะย่างไปไหนฉันจะกําหนดไปตอนนี้กําหนดเขาก่อนหลังจากที่มันเป็นเองแล้วมันไม่ต้องกําหนดหรอกถ้าจะไปกําหนดอย่างนั้นแม่แม่สมพรทําครัวไม่ได้หรอกสามสิบคนรักทำครัวคนเดียวแต่มันจะวิ่งแต่มันจะรู้สึกหั่นผักนี้มันก็จะหั่นเร็วแต่มันก็รู้สึก ถ้ามันเป็นไปแล้วนะเป็นแบบคือมันเป็นเองแล้วนะ่ยนะความหมายแต่ตอนนี้เรากําหนดเขาก่อนกําหนดช่วยหันผักก็รู้ว่าหันผักซอยอ่าปาดเนื้อเถือหนังอะไรก็ให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นซะก่อนแล้วมันมันจะเป็นเองของเขาเองหลังจากที่มันเป็นแล้วเนาะมีอะไรมีคําถามอีกไหม ก็คิดว่าพูดผสมผสานหลายอย่างทั้งประสบการณ์แล้วก็การที่จะแนะนําไปทําที่บ้านหรือที่ะทำอะไรก็พอจะเข้าใจเนาะถ้าจะทํานะแต่ขอให้เป็นคนจริงสักหน่อยจริงตัวจริงให้ตัวเองนี่แหละเป็นความจริงซื่อสัตย์ใส่ตัวเองนี่แหละให้ได้ง่วงแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้ได้เอออย่าไปนั่งแช่นั่งทึกมันทําไมหลวงพ่อต้องพยายามให้เปลี่ยนยาเพลินนะให้ลุกให้กําหนด ทำบ่อยๆเพราะเวลาเราเคลื่อนทีหนึ่งมันสติมันมาแล้วเปลี่ยนคณะหนึ่งจิตเราดึงมาคณะหนึ่งรู้หยุดรู้เคลื่อนสติมาแล้วสติมาแล้วมันจะเพลินไปไหนมันก็กลับมาเพราะจิตมันมีหน้าที่รับได้คณะหนึ่งข้างเดียวแค่นั้นมันจะไปรวมสามสี่อย่างไม่ได้มันจะมาอย่างนี้ถึงรู้มันก็รู้เพลินๆแต่ตัวไหนมันชัดเจนมากมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ละสันทัานให้ลุกให้เปลี่ยนให้กาหนดอยู่บ่อยๆ จ็นกลัวเขาเต็มเขาเติบโตแล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองจะเอาไปแก้ไขได้ทุกมากๆก็จะลดลงมาตามลาดับของเขานี่คือความรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองเออเอาไปใช้กับครอบครัวได้เนาะมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีแล้วก็แม่สมพรก็ขอให้ <c oughs> ทำความเพียรเป็นเลิศเด้อหายากนะที่ได้ <c oughs> มีวัดวาอารามที่ ตพร้อมทุกอย่างว่า ง, งั้นเถอะอย่างนี้เพราะเมสมพรไปหลายรัดแล้วก็หลายที่ฤทธิ์นี่นะไม่มีเหมือนวัดของท่านอาจารย์นี่นะแล้วก็เจ้าว่าท่านก็ใจดีใจดีไปหลายที่ไม่มีอย่างนี้ทุกอย่างไม่พร้อมแต่อันนี้พร้อมทั้งหมดเลยและท่านก็เป็นคนซูปพอตอย่างเต็มที่แล้วเราโชคดีที่ได้มาเจอท่านมาเจ อ, อได้มาคุกคีกับท่าน ท่านมีของดีให้เราก็น้อมรับเอาเอาไปประพฤติปฏิบัติขนาดท่านทำมาเต็มของท่านละท่านก็ยังอยากให้ญาติให้โยมรู้ท่านไม่ได้ลู้วิธีและเทคนิคไหนที่มันจะช่วยได้ง่ายท่านก็ยังนิมนต์เอาหลวงพ่อมาช่วยก็เพื่อว่าเอาเทคนิคตรงนี้มาพวกเราจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่มีอินทรีย์แข็งที่จะไปนั่งบางครั้งเหมือนท่านได้เพราะท่านไม่มีธุระอะไรมากมาย ไ อ, อ้เรายัางลูกยังผัวยังทากับคมกับเข้ามนันวุ่นวายอินทรีย์เรามันอ่อนท่านก็เลยอยากให้รู้ตรงนี้ท่านก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาถ้าเรามาได้รู้ได้รู้วิธีแล้วเราก็น้อมเอาพี่พินิษพิจารณาไม่ต้องด่วนเสื้อแล้วก็ไม่ต้องด่วนปฏิเสธก็ขอให้เอาไปทําดูถ้าสมมุติว่าเราทําจริงเป็นคนจริงหลวงปู่เทียนเอาคอประกันเลยนะเออเอาคอประกันเลยว่าถ้าเป็นคนจริงจะเห็นของจริงท่านว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ลองลองดูเนาะถ้าเป็นยังไงไม่มีอะไรอยากมีคำถามอะไรจะโทรหาพี่วนิสาก็ได้โทรหาแม่สมพรก็ได้โทรหาหลวงพ่อก็ได้มากราบถามเราจะได้พูดกันแนะนำกันให้ทาให้ถูกต้องเราจะได้เห็นผลของมันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาเดอ้อสาธุ